สวัสดีครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าสิบเก้าแล้วนะครับนัสเธอเสี่นะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้สรุปบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนัสเธอตไม่รับพระเยซูว่าพวกเขานั้นใกล้เกลือกินด่างนะครับแต่เมื่อเข้าไปถึงบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ หนงพงศษัตริย์บทที่17และสองพงกษัตริย์บทที่หได้พูดถึงผู้หญิงนะครับแม่ไม้ในบ้านคาเรฟัตเมืองไซดอนและก็อีก่านหนึ่งก็คือนาอมานนะครับซึ่งเป็นพ่วงข้บัญชากองทัพซีเรียเี่เนครับเราจะเห็นว่าทั้งสองคนนั้นตอบสนองด้วยความเชื่อตอบสนองด้วยความเชื่อความเชื่อในไหนครับความเชื่อในพระเจ้าของอิสราเอล แสดงว่าพระเจ้าของอิสราเอลนั้นได้แผ่ขยายอาณาเขตของพระคุณของพระเจ้าออกไปจนกระทั่งถึงชาวต่างชาติตรงนี้เองครับเมื่อพระคุณของพระเจ้าแผ่มาถึงชีวิตของใครก็แล้วแต่คนนั้นจะต้องตอบสนองเขาถึงจะได้รับพระพรการตอบสนองนั้นต้องตอบสนองด้วยความเชื่อเ น, นครับ บทเรียนประการที่สองก็คือว่าอย่ากใกล้เกลือกินด่างนะครับคำว่าใกล้เกลือกินด่างก็คือว่าอยู่ใกล้ของดีแต่สังเกตไม่ออกไม่รู้นะครับแล้วก็ในที่จุดนั้นก็ไม่ได้ของดีไปกินถูกด่างเขาให้แทนที่จะได้เกลือเราจะเห็นว่าหญิงไม้ชาวซารุดิอัระเบนดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นอย่างดี เพราะเหตุที่เขานั้นแม้ว่าจะไม่รู้จักกับเอลิยาแต่เขารู้ว่าคนนี้เป็นผู้เผยพระชนะเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแลนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนยิวแต่เขาก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นคนที่ส่งคนนี้มาให้เขาดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นอย่างดีและบทเรียนต่อไปก็คือให้เราไปอยู่ที่ที่เกิดผลมากครับ ที่ไหนที่เราเกิดผลมากที่ไหนที่ต้อนรับเราที่ไหนที่เราจะสามารถแต่ต้องชีวิตนับใช้พระเจ้าได้ผลดีให้ไปที่นั่นเหมือนกับที่พระเยซูครับในทางกลับกันครับถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับเราที่ไหนไม่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสเกิดผลเพื่อถวายพระเจ้าพระเยซูทรงจากบ้านที่ โต้งเติบโตมานะครับไปปฏิบัติราชกิจในที่ที่ประชาชนต้องการโตรงเนับนี่คือบทเรียนที่ผมอยากจะสรุปให้พี่น้องฟังอย่างชัดเจนในวันนี้นะครับซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อวานในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในตอนที่ห้าสิบเก้าเราจะถอดบทเรียนได้มากขึ้นในเรื่องนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะประยุกใช้ ความจริงที่อยู่ในพระวเจ้าพระเจ้าตอนนี้นั้นได้เข้ามาในชีวิตของพวกเราในเรื่องของการถูกทอดทิ้งครับผมจะถามพี่น้องว่าถ้าใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูและเพื่อนหรือครอบครัวไม่ต้องการท่านอีกต่อไปไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับท่านอีกต่อไปท่านรู้สึกยังไงครับท่านรู้สึกสูญเสียอะไรบ้างจากการตัดขาด เช่นนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมีแง่ดีหรือส่งผลดีอะไรให้กับท่านบ้างหรือไม่และท่านแก้ปัญหาอย่างไงครับพี่น้องคริสเตียนสามารถที่จะทดแทนหรือชดเชยคนในครอบครัวได้บ้างหรือเปล่าครับพี่น้องครับอยากจะให้เรานั้นได้ค้นพบความจริงว่าเมื่อเราถูกทอดทิ้งพระเจ้าช่วยได้ครับ นักวิชาการได้ให้คำแนะนำนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตมาแบ่งปันสี่ประการด้วยกันเมื่อเราถูกคนทอดทิ้งพระเจ้าช่วยได้นะครับประการแรกคือลองคิดเปรียบเทียบประสบการณ์ของเรากับที่พระเยซูทรงเจอทรงประสบแล้วจะเห็นว่าพระเยซูถูก ผักไล่ไสยส่งนะครับในนาซาเลตไม่อาจเทียบอะไรได้กับที่โปรง่งได้ทรงประสบในเยรูซาเล็มในวันศุกร์ที่โปรง่งทรงสิ้นไปชนใช่ไหมครับถ้าเหตุการณ์ที่นาซาเลตนั้นเปรียบเทียบกับการสิ้นระชนของเปียซูเหตุการณ์ที่นาซาเลต น, นถือว่าเบามากถือว่าเด็กๆครับพี่น้องครับผู้คนที่เคยติดตามพระเยซูสองสามปี กลับกลายมาเป็นคนที่ะตะโกนว่าตึงเขาเสียที่กังเขนตึงเขาเสียที่กังเขนในในวีเดียกรัรนะครับอาชญากรผู้สร้างความโศกสลดใหญ่หลวงในอิสราเอลกลับได้รับเลือกจากฝูงจนให้นิรโทษได้รับการนิรโทษกรรมแทนพระเยซูครับพระเยซูเป็นผู้ที่คนเป็นจํานวนมากชื่นชมเวลานี้ถูกตระยุทยธ์หักหลัง ถูกผู้นำศาสนาไต่สวนผู้คนถมน้ำลายลดพระองค์ถากถางเยาะเย้ยพระองค์ตบศีรษะตบหน้าพระองค์แล้วก็ให้สวมมงกุฎน้ำโบยพระองค์อย่างไร้ความปราณีใช้แส้หนังที่ฝังโลหะแหลมกคมฟาดเข้าไปที่พระองค์โบยพระองค์การถูกตัดขาดนี้สร้างความเจ็บปวดและนำความตายมาอย่างพระองค์ครับและท่านถูกตัดขาดตรงถูกตัดขาดจากพระบิดาถูกทอดทิ้งจากพระบิดา พี่น้องครับสิ่งที่เราเจอนะครับกับสิ่งที่เบียซูทรงประสบคนเรื่องกันใช่ไหมครับพระไชยของพระองค์เจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนก็เหมือน ก, นกันกับพวกเราที่เจ็บปวดรวดราวแต่ยังหนักสู้พระองค์ไม่ได้หรือแม้แต่หั้งสาวกของพระองค์ก็ทอดทิ้งพระงไปยกเว้นแต่เปโตรกับยอนครับ เปโตรก็แอบไปดูไปสังเกตการแต่แรกแล้วในที่สุดก็ขาดกลัวจึงกับปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูพี่น้องลองเปรียบเทียบประสบการณ์ของเรากับการที่พระเยซูได้ประสบนะครับประการที่สองครับพระเจ้านั้นได้ให้พี่น้องคริสเตียนชดเชยกับพี่น้องในครอบครัว เมื่อเรามาร่วมประชุมมีสามัคคีธรรมอย่างจริงใจจริงจังกับพี่น้องคริสเตียนมีพี่น้องคริสเตียนนะครับบางคนครับที่พระเจ้าส่งมาชดเชยกับพี่น้องในครอบครัวของเราเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเรายิ่งทุ่มเทใช้เวลากับมนุษย์กับผู้คนในเครืสัจกรเราจะได้พบกับพี่น้องแท้ๆครับก็คือพี่น้องคริสเตียนเราจะได้พบพระพรเพิ่มเติมจากพระเจ้า นะครับถ้าว่าเรานั้นได้ยอมที่จะเข้ามาคุกครีมีสามัคคีทำประการที่สามครับให้เรายกโทษกับคนเหล่านั้นที่ทอดทิ้งเราที่ปฏิเสธเราให้เรายกโทษกับคนเหล่านั้นที่ทอดทิ้งเราปฏิเสธเราพระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนในพระบีว่าให้เรายกโทษผู้ที่ทําผิดต่อเราที่ต้องจําได้ใช่ไหมครับว่าบนจางเขียนพระเยซูจรัสถึงผู้ที่จับจอง ตึ้งจังเขียนว่าโอพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอะพยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนี่บันทึกอยู่ในลูกาที่ยี่สบสามข้อยีิบสี่นะครับโอพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนี่น่าจะเป็นคำอธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ยกโทษคนที่ตัดความสัมพันธ์กับเราเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนคนที่เข้าใจผิดเราคนที่ให้ร้ายป้ายสีเราทําให้เราหลุดออกจากความทรงจําที่ไม่ดีนะครับ การถูกผูกมัดด้วยความเกรยียดชังเยอะแยะมากมายมันจะหลุดออกไปหมดเลยครับถ้าพี่น้องอธิษฐานเย็นนี้ประการสุดท้ายครับก็คือให้เราลืมนะครับสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียลืมความถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังครับลืมความทุกข์ความเจ็บความปวดอยากคิดถึงประสบการณ์นั้นอย่าปล่อยให้ประสบการณ์นั้นมีผลต่อชีวิตของเราเมื่อความคิดหรือความเจ็บปวดนั้นว้ดเข้ามาในสมองเราต้องรีบอธิษฐาน ทูลขอองค์พระเยซูเจ้าให้ทรงกำจัดความคิดเหล่านั้นออกจากจิตใจของเราครับคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วควบคุมตัวเองได้และในขณะเดียวกันควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของตนเองได้โดยฝึกฝนในการกำจัดความคิดแง่ลบครับและความหมกมุ่นในแงล่ลบหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือความหมกมุ่นในความบาปหรือบาปออก ฉะนั้นอัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้นะครับในพ ร, ระธรรมคิสต์เพื่อที่สาข้อสิบสามบอกว่าแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคําว่าลืมนั้นผมเคยบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่อัลไซเมอร์นะครับหรือว่าไม่ใช่เป็นคนขี้ลืมแต่คําว่าลืมนั้นก็คือว่าจําได้แม่นครับแต่ไม่ปล่อยให้ผลทางลบมันนะครับ ผลทางลบของมันไม่ปล่อยให้ผลทางลบของสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดนั้นส่งผลกับชีวิตของเราในขณะนี้และอนาคตอีกต่อไปเราจะไม่ปล่อยครับเพราะหากว่าเราเพราะเหตุที่ว่าเราสามารถควบคุมกำจัดนะครับความคิดแง่ลบความหมกมุ่นออกไปได้นี่คือการควบคุมความคิดของเราขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับผู้ที่ยังจดจําการถูกทอดทิ้ง ขอให้ทุนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ายังมีความขมขื่นมีความบาปที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้เรามีความรู้สึกไวยต่อผู้ที่ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการที่เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ช่วยเหลือผู้ที่ชอกช้ำระกำใจและคนที่ต้องการเพื่อนให้เราเข้าไปเป็นเพื่อนเขาอาเมน